สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงศษบทที่สี่หนึ่งพงย์บทที่สี่ข้อที่เจ็ดจนถึงข้อที่ยี่สิบแปดครับผมจะอ่านในข้อที่ยี่สิบจนถึงข้อที่ยี่สิบแปดเท่านั้นโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าประชากรยูดาห์และอิสราเอลมีมากมายดั่งเม็ดทรายที่ชายทะเล พวกเขาล้วนอิ่มหนำสุขสำราญกันทั่วหน้าและซโลมอนทรงครอบครองดินแดนทั้งหมดจากแม่น้ำอยู่เฟรติสจนถึงดินแดนของชาวฟริสเตียจดพรมแดนของอียิปต์ดินแดนเหล่านี้ต่างนำเครื่องบรรณาการมาถวายและอยู่ใต้อำนาจของโชโลมอนตลอดพระชนชีพสเบียงประจำวันที่ชูลมอนต้องการคือแป้งละเอียดประมาณ 6.6 กกิโ ล, ลิแป้งขนมประมาณ 13.2 กิโ ล, ลิ วัวขุน10บตัววัวจากทุ่งหญ้าย0่ตัวแพะแกะรวม100รตัวนอกจาก น, นี้ยังมีกวางเก้งสมันและไก่ที่คัดแล้วซูลมอนทรงครอบครองอาณาจักรทั้งปวงทางทิศตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติสจากทิฟซาไปที่กาซาและมีความสงบสุขทุกๆด้านตลอดพระชนชีพของซูลมอนยูดาและอิสวาเอลจากดานจนจดเบเอเชบาล้วนดาเนินชีวิตอย่างปลอดภัย แต่ละคนอยู่ใต้เทาวงุนและต้นมะเดื่อของตนโซโลมอนทรงมีคอกสำหรับม้าที่ใช้เทียมรถ 4,000 แห่งและม้า 12,000 ตัวในแต่ละเดือนจะกำหนดให้ข้าหลวงเขตส่งสาเบียงมาให้โซโลมอนและผู้ร่วมโต๊ะสวยไม่ให้มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องอีกทั้งยังจัดหาข้าวบาเล่และฟางสำหรับม้าศึกที่ใช้เทียมรถและม้าอื่นๆในคอกม้าหลวงด้วย พี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้แบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของการจัดองค์กรของโซโลมอนด้วยสติปัญญาที่โซโลมอนทูลขอจากพระเจ้าพระเจ้าก็ประทานวิธีการบริหารจัดการและการจัดองค์กรที่เรียกว่าเหมาะสมมากและเป็นการจัดองค์กรที่น่าประหลาดใจน่าอัศจรรย์คืออะไรครับก็คือการจัดเตรียมผู้คนต่างๆมาให้โซโลมอนได้มีโอกาสที่จะ ดูแลใช้งานเขาอย่างถูกต้องถูกคนถูกที่ถูกเวลาเพียงครับตั้งแต่ข้อที่เจ็ดเป็นต้นมาจะเป็นรายชื่อนะครับรายชื่อของผู้ดูแลเขตครับนะฮะใช้คำว่าข้าหลวงประจำเขต1ิบสองนายดูแลทั่วอิสราเอลเฉพาะในอิสราเอลเท่านั้นนะครับแต่ว่าดินแดนต่างๆที่พระพราชบิดา ข, ของเขาคือกษัตริย์ดาวิดเนี่ยไปตีมาได้นะครับ ก็ยังไม่ครอบคลุมตรงนั้นเพราะเนื่องจากว่ามีหลายระดับของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับประเทศเพื่อนบ้านที่ไปได้ดินแดนมาพวกเขานั้นจะต้องส่งเครื่องราชบรรณาการมาเป็นประจำทุกปีทุก ป, กปีตามกำหนดในขณะเดียวกันครับก็ยังมีพวกพันธมิตรอีกครับที่ไกลออกไปเช่นอียิปต์และพวกฟินิเซียด้วยพี่นครับนี่คือ ระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สติปัญญาของโซโลมอนนั้นได้รับจากพระเจ้าได้มีการจัดการบริหารแบ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเช่นนี้การบริหารจัดการแบบนี้นะครับก็ทําให้อิทธิพลของค่ายแต่ละค่ายหรือเผ่าแต่ละเผ่านั้นลดความสําคัญลงครับเพราะเนื่องจากว่าในสมัยโบราณก่อนหน้าโซโลมอนนั้นอิทธิพลของ คำว่าเผ่าต่างๆนะครับของอิสราเอลเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงและสูงมากส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการบ้านเมืองในฐานะประเทศอย่างอิสราเอลที่อยู่ภายใต้การนำของโซโลมอนเราจะเห็นว่านี่คือการปฏิรูปครับปฏิรูปที่ค่อนข้างรวดเร็วรุนแรงและส่งผลกว้างขวางทำให้ประเทศชาตินั้นก็สามารถที่จ ะ, จ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองได้เพราะเนื่องจากว่า พยายามที่จะทําลายมุ้งต่างๆลดความสําคัญของมุ้งต่างๆลงและในขณะเดียวกันครับก็เพิ่มเพิ่มความสัมพันธ์ของส่วนกลางมากยิ่งขึ้นพี่น้องครับนี่คือวิธีการที่โซโลมอนนั้นได้นํามาใช้บริหารอิสราเอลนี่คือช่วงที่เราเรียกว่ายุคทองของอิสราเอลนะครับในขณะที่โซโลมอนนั้นครองราช เขาได้ใช้สติปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพครับพี่น้องครับเราจะเห็นว่าเมื่อเขาแสวงหาพระเจ้าเมื่อเขาสักข์ซื่อต่อพระเจ้าพระเจ้าประทานสติปัญญาและเขาสามารถที่จะใช้สติปัญญานั้นมาบริหารจัดการบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าอาณาจักรอิสราเอลนั้นสงบสุขตั้งมั่นคงอยู่แล ะ, จะเจริญรุ่งเรืองในสมัยของโซโลมอนในช่วงแรกนั้นถูกมองว่าเป็นแบบอย่างที่ดีครับ สำหรับทุกประเทศทุกประเทศเลยนะครับเมื่อประเทศและผู้นําในประเทศของเขานั้นไ ว, ว้วางใจพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าครับจากตรงนี้นี่เองเราจะพบว่าโฉรมอนนั้นได้บันทึกสุภาษิตนะครับมากมายมหาศาลซึ่งจะกล่าวในวันพุ่งนี้ขณะเดียวกันครับพระคัมภีร์ได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของเขามีคอกสําหรับม้าที่ใช้เทียมรถถึงสี่พันแห่ง ค อ, อกม้านะครับเฉพาะค อ, อกมานี่ยี่พันแห่งมีม้าเนี่ยหนึ่งหมื่นสองพันตัวพี่น้องครับเห็นไหมครับว่ามันรุ่งเรืองขนาดไหนครับพ้ะพีบอกว่าพวกเขานั้นมีความสงบสุขในทุกๆด้านแม้ว่าจะมีประชากรมากมายดังเม็ดทรายที่ชายทะเลต่างก็อิ่มหนำสำราญมีความสุขกันทั่วหน้าพวกประเทศราชนะครับก็ไม่มีใครที่คิดจะเป็นกบฏหรือแข่งเมือง ดินแดนเหล่านี้ต่างนําเครื่องบรรณาการมาถวายและอยู่ใต้อํานาจของโซโลมอนตลอดชีวิตพระชนชีพของพระองค์นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นครับแต่แนวเช้าวันนี้ผมอยากจะขอให้พี่น้องได้ดูในข้อที่ยี่สิบครับในข้อที่ยี่สิบนั้นเป็นข้อที่มีความน่าสังเกตน่าสงสัยเป็นอย่างยิ่งข้อที่ยี่สิบครับเขียนอย่างนี้ครับว่า ประชากรยูดาห์และอิสราเอลมีมากมายดั่งเม็ดทรายที่ชายทะเลพวกเขาล้วนอิ่นน้าฉุกสําราญกันทั่วนหน้าคาถามก็คือว่าหรือตั้งข้อสังเกตว่าประชากรยูดาห์อิสราเอลความจริงแล้วคําว่ายูดาห์และอิสราเอลนั้นมันเกิดขึ้นตอนช่วงหลังจากโซโลมอนครับนั่นหมายความว่าเป็นการแตกแยกหรือการแบ่งแยกยินแดนระหว่างสิบเผ่าอิสราเอลฝ่ายเหนือ และสองเผ่าอิสราเอลฝ่ายใต้เราเรียกว่ายูดาห์เพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นแผ่นดินยูดาห์และแผ่นดินอิสราเอลเรียกว่าน e r n Kingdom และก็ Southern Kingdom ถามว่าในสมัยของกรรษัตริย์โซโลมอนนั้นซึ่งรวมกันเป็นปึกแผ่นอย่างดีมีความอิ่ม้นำสำราญมีความสามาัคคีอยู่ภายใต้การครอบครองของโซโลมอนทำไม บันทึกอย่างนี้ครับข้อสังเกตตรงนี้ก็นักวิชาการมีคำตอบประการแรกครับก็คือการเขียนเพิ่มพีหนึ่งพงศษัตรเวลาที่เขียนนั้นก็น่าจะเป็นเวลาที่อยู่ในยุคหลังยุคหลังนี่หมายถึงหลังจากที่โซโลมอนได้สิ้นพระชนแล้วแสดงว่าประชากรยูดาอิสราเอลแยกกันแล้ว นั่นหมายความว่าประเทศอิสราเอลนั้นอยู่ในยุคหลังจากโซโลมอนคือคนเขียนหรือผู้เขียนนั้นเห็นภาพของการแยกแผ่นดินที่เคยสุขสงบแผ่นดินที่เคยอิ่มหนำสําราญของประชาชนนั้นได้ถูกแยกตอนที่เขียนหนึ่งพงกษัตริย์ได้ถูกแยกแล้วอันนั้นเป็นข้อสังเกตประการแรกครับข้อสังเกตประการที่สองก็คือว่าอาจจะมีนัยยะของผู้บันทึก พระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์ว่ามันมีความแตกคราวมันมีความเร้าฉานหรือมันมีสิ่งที่น่าสังเกตมากนับแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปหมายความว่าย่งครับหมายความว่ามันมีเรื่องมีเราบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งซ่อนไว้ภายใต้ความเจริญรุ่งเรืองภายใต้การปกครองของกษัตริย์โซมอนนั่นเองพี่น้องครับบทเรียนที่สําคัญในชาวันนี้ก็คือว่า ขณะที่เรากํำลังรุ่งอยู่กับขณะที่องค์กรของเราครอบครัวของเรานั้นอยู่ในความสุขสบายที่สําคัญก็คือว่าอย่าให้ความสุขสบายนั้นมาเบียดบังเราจากพระเจ้าแย่ให้เราเคว้ไปจากพระเจ้าในขณะเดียวกันครับเราเองนั้นจะต้องมองตัวเองอยู่เสมอเพราะว่าแผ่นดินของโซลโมนนั้นเป็นแผ่นดินที่ ประสบความสำเร็จมากภายใต้การปกครองการครอบครองของกัทย์โซมอนขณะที่เขาบรรยายถึงความเจริญก้าวหน้าการวัฒนาพัฒนาของประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดนั้นถิ่งที่น่าของก็คือว่าคำว่าสูงสุดคืออะไรครับคำว่าสูงสุดคือไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนั่นหมายความว่าจะมีต้องจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นหลังจากนี้ที่จะทาให้ตกต่าลง นั่นหมายความว่าความรู้สึกที่จะที่จะเพียงพอในเรื่องของการก้าวต่อไปก้าวสูงขึ้นไปนั้นอย่าให้เกิดขึ้นครับอย่าไปคิดว่าเรานั้นอยู่ในจุดสูงสุดแล้วแต่เรายังต้องพัฒนาต่อไปครับหลายครั้งบางคนคิดว่าจิตวิ ญ, ญญาณของตัวเองนั้นพัฒนาไปถึงจุดสูงสุดแล้วไม่ใช่ครับเรายังต้องก้าวสูงขึ้นไปก้าวสูงต่อไป ก้าวต่อไปเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสรู้จักกับพระเจ้าพึ่งพาในพระเจ้ารักพระเจ้าและรับชบพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเพื่อนครับนี่คือสิ่งที่สําคัญมากในขณะที่โซโลมอนและราชนาจักรของเขานั้นได้ก้าวขึ้นสู่ที่สูงมีความร้าวฉานเกิดขึ้นซึ่งบางทีกษัตริย์โซโลมอนเองอาจจะมองไม่เห็นหรือไม่มีเวลามาดูแลจัดการ ในที่สุดเรโหโบอัมเยโรบอมก็สปิตแตกแยกต่างฝ่ายต่างก็ไปเป็นกษัตริย์ของฝ่ายเหนือฝ่ายใต้เพียงกับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยต่อมาอีกไม่กี่ปีเท่านั้นสมควรจะเป็นบทเรียนให้กับเราในเช้าวันนี้นะครับขณะที่ชีวิตของเราเรงรุ่งรุ่งอยู่เพียงครับอย่าปล่อยให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเพื่อสร้างความเ้าฉาน นั่นคือความประมาทครับความประมาทความหยิ่งแยะโสความโอหังหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นศัตรูต่อความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาต่อไปอาเมน